รักเราตายลงไปอย่าฝืนให้มันยืนนาวตายไม่ขอให้มีเยื่อใหญ่วันสุดท้ายเป็นใครก็ต้องชำแค่พูดจะไม่กี่คำก็เพียงพอให้จำอยู่เสมอ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 เพียใจข้างเดียวถึงฉันตายเธอก็ไม่เกี่ยวอล่าแลเลียวให้ลังกลับมาปลย้ฉันหัวใจสลายอย่างผู้ใจที่รักเธอข้างเดียวถึงยังไงเธอก็ไม่ต้องเพี้ยลรัก เดียวมันท้ำอยู่แล้วล่อยฉันในใจสลายให้มันตายลงไปอย่างช้าชาอย่าคิดว่าคำพู่ใจคำสัญญาจะทำให้ฉันฝืน ไม่ต้องหันมามองหน้ากันอีกทีตอตนนี้ไม่มีผู้ชา ย, ยาฉันไม่มีแล้วคนเคยผูกพันฉันรักเธอจริงค่งดี มัวเสียเวลากับฉันลอยให้มันเสียใจข้างเดียวถึงฉันตายเธอก็ไม่เดียวอย่าแลเหลียวหหลังกลับมาลอยให้ฉันหัวใจสลายอย่างผู้ชายที่รักเธอ เธอก็ไม่ต้องเดียวรักาเดียวันชอยู่แล้วถึงยังไงเธอก็ไม่ต้องเดียวรักา รักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วเป็นงานของมนุษย์กบนี่เองไม่ใช่ใคร